ช่วงนี้หลวงพ่อไปจะต่งางจังหวัดบ่อยได้เห็นพัฒนาการของการปฏิบัติกว้างกวางมากคนภาวนาเป็นรู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดลวตอนนี้แต่ก่อนคนคิดว่าศาสนาพุทธมันแค่ทำทานถือศีลนั่งสมาธิให้ใจสงบคิดว่าแค่นั้นก็ เป็นชาวพุทธแล้วมาถึงวันนี้พวกเราจำนวนมากนะได้รู้แล้วว่าถ้าเราเก้าวมาไม่ถึงขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยเรายัางห่างไกลนะกับ พ, พุทธศาสนาไม่ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเต็มที่การเจริญปัญญา เ, เป็นทางเดียวนะที่จะทำให้เรา เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ถ้าต้องการพ้นจากความทุกข์ทางใจเราหนีการเจริญปัญญาไม่ได้การทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิเป็นความดีสาธารณะคือาศาสนาอื่นเขาก็มีไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธศาสนาแต่การเจริญปัญญา หัดแยกรูปแยกนามนะเห็นความจริงของธาตุขันธ์กายใจของรูปนามนความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์อันนี้มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าแนอดิตพวกนักปราชทั้งหลายเขาก็อยากพ้นทุกขนะ์สแสวงหาทางพ้นทุกข์กันตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าสติปัญญา ที่จะไปสู่ความพ้นทุกขนะ์นั้นมันไม่เท่ากันบางพวกบางคนหาทางพ้นทุกขนะ์อันนี้คนทั่วๆไปไม่ใช่พวกนักปรัชญาด้วยการสนองกิเลสเวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นก็หาทางสนองความอยากไปเรื่อยๆก็ตอบสนองความอยากได้นะก็ะสบายใจแต่ความอยากนะั้นมันเพิ่มตลอดเวลาได้แค่นี้ไม่พอก็ต้องเพิ่มไปอีกนะ การตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่อิ่มหรอกวิธีตามใจกิเลสไม่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงบางพวกก็คิดว่าไปนั่งสมาธินะให้สงบสงบแนละ้วบางพวกก็เข้าไปชานหรือคิดว่านี่เป็นวิธีที่จะรวมตัวเองเข้ากับพระเจ้าคิดว่าถ้าทำได้ก็จะมีความสุข ก็มีความสุขอยู่ช่วกําลังของฌานชานเสื่อมก็กลับมามีความทุกข์เหมือนเดิมบางพวกก็ใช้วิธีฝืนตัวเองทรมานตัวเองอยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนอะไรกินข้าวนะอันนี้อร่อยไม่กินละอะไรนะฝืนทุกสิ่งทุกอย่างอยากนอนสบายแล้วนอนมันบนหนามบนตะปูไปเลยหวังว่าจะฝึกจิตใจ จนมันไม่มีความทุกข์ดันั้นมันมีความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นนะก็ฝึกจนตระท่านเคยชินมันด้านกับความทุกข์แต่กิเลสยังอยูนะ่ความทุกข์ทางใจไม่หายไปแต่ถ้ามองไม่เป็นก็คิดว่ามันมีความสุขขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าของเรานะปารมีท่านเต็มแลศีลสมาธิอะไรท่านก็ทำมาจนสมบูรณ์ อย่างท่านออกจากวังไปบวชบวช ด, ด้วยตัวท่านเองแล้วไปหัดนั่งสมาธิกับฤษีท่านนั่งไม่กี่วันก็จบลหลักสูตรของฤษีเพราะว่าบารมีท่านเต็มท่านเคยทําชาญมาเินได้อภิญญาอภิญญาหขาดอันเดียวเท่านนะคือการล้างกิเลสอภิญญาอันที่6คือการทําลายกิเลสลงไปอภิญญา ได้5ตัวได้วิชา2ตัวไม่ได้วิชา3ชาวิชาอที่3คมเขาล้างกิเลสไป <S <S ท, ท่านก็พบว่าการที่ท่านไปทําสมาธิให้นิ่งสงบสบายพอออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาอีกความทุกข์มันก็กลับมาอีกมันไม่ใช่ทางท่านไปทรมานร่างกายแล้วพบว่ามันก็ไม่ใช่ทางอีก ในสุดท่านก็มาพบทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่ท่านพบในวันเดียวหลักฐานที่สำคัญก็คือตอนท่านอายุ3ามขวบเนี่ยท่านนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่านั่งเองไม่มีอาจารย์สอนแลวตอนนั้นเป็นเด็กไม่มีมารยาลุกขึ้นนั่งสมาธิก็นั่งไปด้วยความเคยชินของจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว หายใจ อ, ออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวจุดสําคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจเอาเคลิม้มเอาสู่เอาสงบแต่หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวท่านนั้นเอามาสอนสาวกในชั้นหลังนะที่ท่านได้บรรลุพระอรหรนะันต์แล้วท่า น, นามาสอนเราพิสูจทั้งหลายให้เธอคูบันลังคู่บันลังก็คือนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะว่าไม่มีเก้าอี้จะนั่ง คนนักบวชอะไรต่ออะไรสมัยนู้นก็นั่งกับพื้นก็นั่งพื้นเน่ยท่านั่งที่นั่งได้ทนนะก็คือนั่งขัดสมาธิไม่นั่งพับเพียบ์เพนั่งได้ไม่ทนบอกพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บันหลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าไม่มีสติหายใจออกยาวรู้ว่าห้ใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ห้ใจเข้ายาว หายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นลมหายใจระ ง, งับรู้ว่าลมหายใจระ ง, งับจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่ขาดสติมีสติตลอดเนี่ยสมาธิชนิดนี้แหละสมาธิที่จะเอาไปเดินปัญญา ต, ต่อส่วนสมาธิที่มุ่งไปหาความสุขความสงบความสบายหรือมุ่งไปหาความดีต่าง เป็นสมาธิสาธารณะหรือสีชีพายเขาทำมาก่อนแต่ไม่ทำให้เกิดปัญญาเองพวกเราต้องแยกให้ออกนะสมาธิมีสองอย่างสมาธิที่เป็นไปเพื่อพักผ่อนเพื่อความสงบความสบายเพื่อความสุขเป็นแบบหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติอยู่ไม่เผลอไม่ลืมเนื้อลืมตัวเป็นอีกแบบหนึ่ง งั้นสมาธิสองชนิดพวกเราเมืกี้ได้ยินได้ฟังเสมอนะว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาอันนั้นก็พูดถูกแต่ไม่ถูกเต็มที่ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะเกิดปัญญาได้ถ้ามีสมาธิที่สงบสบายเลื่เปลืปลนนิ่งๆไปไม่เกิดปัญญาหรอกถ้านั่งสมาธิแล้วสงบสบายว่างๆไปแล้วก็เกิดปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานได้ หรือสีชีพไรที่ทำสมาธิอย่างนี้ก็บรุษพระอรหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าจะสมาธิที่ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่มีในที่อื่นๆนะเป็นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองพวกเราต้องมาฝึกสมาธิให้ถูกชนิดปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง จะไปเจริญปัญญานั้นเป็นไปไม่ได้นะต้องมีสมาธิให้ถูกชนิดตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่สมัยก่อนไม่มีใครพูดถึงเท่าไหรนะ่ไม่มีใครพูดถึงหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะกคนแอนตี้เลยว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิที่จริงเราสอนสมาธินะสมาธิสอนทั้ง2แบบเลยสมาธิเป็นไปเพื่อความสงบก็สอนสมาธิเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาก็สอนนะ นี่คนส่วนใหญ่มันติดสมาธิชนิดสงบนั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวพอหลวงพ่อบอกให้นั่งรู้สึกตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้ทําสมาธิแล้วบอกไม่มีสมาธิจะมีปัญญาไม่ได้พูดให้เต็มยศก็บอกถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็มีปัญญาไม่ได้เพราะพวกเราจุดสําคัญนะก่อนที่พวกเราจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาซึ่งว่าเป็นของดีของวิเศษ ในทางพระพุทธศาสนานเราต้องมาปรับจิตใจของเราก่อนให้ให้พร้อมต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนจิตที่จะไปเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิสองชนิดมีประโยชน์ทั้งคู่สมาธิเพื่อความสงบก็มีประโยชน์แต่ประโยชน์ของสมาธิเพื่อความสงบนั้ น, นทําให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงนะ ส่วนสมาธิที่ใช้เจริญปัญญานั้นทำให้จิตใจฉลาดนะคนละแบบกันมีประโยชน์ทั้งคู่ถ้าเราทำสมาธิได้ทั้งสองชนิดดีที่สุดถ้าทำชนิดแรกไม่ได้นะทำไปเพื่อความสงบไม่ได้ทำอย่างที่สองได้ก็ยังเอาตัวรอดได้นะในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายให้พวกพระฝัง บอกว่าในบรรดาพระอาหารหันต์หรอยองคนะ์มี60องค์ได้วิชาสามวิชาสามก็คือะระลึกชาติได้นะรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้สนาะ3อย่างพระอาหารหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยมี60สิองค์จาก500คนที่ได้วิชาสามเนี่ยต้องทรงชนันต้องทรงชนันในบรรดา500อยองค์นอกจาก วิชาสามแล้วนยังมีพวกอภินยาหกนะเช่นได้หูทิพตาทิพนะรู้วาราจิตคนอื่นอะไรเงี้ยนะมีทิพโสทิพจักรสุเจโตปริยญาณนะจําไม่ได้แล้วมีหลายอันนะพระหันได้ได้อภินยาหกมี60องค์คนที่ได้อภิญญนยาหกนั้นต้องทรงฌานนะ งันรวมสองกลุ่มนี้ได้ร้อยยจากห0 0ร้ยก็จะมีพระอรหันต์อีกจําพวกหนึ่งท่านเรียกว่าอุพโตภาควิมุตติอุพโตภาควิมุตตินี่ไม่เหมือนพระอรหันต์ทั่วๆไปคือตอนที่บรรลุมรรคผลเนี่ยท่านเข้าอรูปฌานพระอรหันต์ทั่วๆไปเนี่ยบรรลุมรรคผลเข้ารูปฌานพวกที่เข้าถึงอรูปฌาน ก็ดับรูปนะดับรู ป, ปรธรรมด้วยรูปประฌานดับนามมาทำทั้งหลายนะด้วยวิปัสนาญาณเลยเรียกว่าดับโดยส่วนทั้งสองนะดับทั้งรูปทั้งนามนะดับทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ไม่มีอะไรเหลือว่างเปล่านะ mm hmm. ไม่มีอะไรเลยนะันเรียกว่าพรมลุกฟักไม่ใช่ยังมีจิตอยูนะ่แต่ไม่มีความปรุงแต่งหยาบหยา บ, ยบอย่างที่พวกเราเห็น คือท่านปล่อยวางความยึดถือทั้งรูปธรรมนามธรรมาได้แต่ปล่อยรูปธรรมไปด้วยเพราะเข้าอารูปฌานพระอราหันต์จำพวกนี้มี60องค์เหมือนกันรวมแล้ว3มชนิดนะ60บวก60บวก60ได้เท่าไหร่180จาก500พระอราหันต์ที่เหลือ320คือคนซึ่งธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเหานี้แหละ ไม่ใช่ว่าทรงชานชำนี้ชำนานมาก่อนอาจจะเดินปัญญาไปจิตไม่ได้ทรงชานเดินปัญญารวดไปเลยแห้งแรงพระอรหันต์ที่ปฏิบัติไปนะบรรลุมรรคผลนิพพานไปด้วยใจที่แห้งแรงหมายถึงไม่มีความชุ่มช่ำหรอกเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะภาวนาไปเน่ใจไม่ได้พักเพราะฉะั้นจะทุกข์เยอะเลยทุกข์มากเนะภาวนาแล้วจะรู้สึกแห้งแง้ง เรียกว่าพระอรหันตุ ข, ขวิปัสสกะไม่ได้ทรงฌานแต่ตอนที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะตอนที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติอย่างน้อยจะได้ปฐมฌานขึ้นมาแต่ตอนที่เดินไปสู่ความเป็นพระริยะบุคคลเนี่ยไม่ได้ทำฌานเพราะงั้นไม่ใช่พวกเราจะไปสรุปตามใจชอบนะต้องนั่งสมาธิให้เข้าฌานได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้บาคนสรุปแบบนี้นะ ใช้ไม่ได้เลยนะมันขัดกับพระใจปิดกเลยนะคนส่วนน้อยหรอกที่ทรงฌานคนส่วนมากก็คือคนอย่างพวกเรานี้แหละแล้วทําไมถึงไปบรรลุมรรคผลได้ก็เพราะมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะท่านที่บรรลุมรรคผลโดยทรงฌานท่านก็มีสมาธิอย่างที่สองด้วยถ้ามีสมาธิแต่อย่างแรกเนะี่ยจะบรรลุมรรคผลไม่ได้หรอกสมาธิสองชนิดมันต่างกันยังไง สมาธิอย่างแรกที่เป็นไปเพื่อความสุขความสงบนั้นนะมันมีลักษณะที่ว่ามีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตไปรวมสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเพราะงั้นไม่เดินปัญญาอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะจิตอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนเลยสงบอยู่กับพุโทโธนี่คือความสมาธิชนิดที่หนึ่ง ไปรู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตจับอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเลยนี่คือสมาธิอย่างที่หนึ่งไปดูท้องพองยุบเห็นท้องพองท้องยุบจิตจับเข้าไปที่ท้องไม่ไปไหนเลยสงบอยู่กับท้องเท่านั้นเองนี่เป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าหรือเพ่งอยู่ที่ร่างกายทั้งร่างกายนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่คือสมาธิอย่างที่หนึ่ง ปกติจิตของคนนั้นจะสายตลอดเวลานะจะวิ่งหาอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาไปหาอารมณ์ทางตาเรียกว่ารู ป, ปารม์อารมณ์คือรูปบางทีก็วิ่งไปหาอารมณ์ทางหูคือเสียงนะบางทีก็ไปหากลิ่นหารสหาสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายบางทีก็วิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจถ้าทางใจเรียกว่าธรรมารมณ์ จิตของเราจะจับจดในอารมณ์ต่างๆแนละ้ววิ่งไปจับอารมณ์นั้นทีหนึ่งวิ่งไปจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งมันวิ่งไปเพราะอะไรเพราะว่ามันเที่ยวสแสวงหาความสุขมันไปดูรูปมันหวังว่าจะมีความสุขมันไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจหวังว่าจะมีความสุขแล้วมันไม่อิ่มมันไม่เต็มมันก็วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นต่อไปอีกนะคล้ายๆหมาตัวหนึ่งนะหมาจรจัด ไม่มีใครเลี้ยง<ม>ก็วิ่งไปทางนี้ได้กินอาหารนิดหน่อยนะคุยขยะได้นิดหน่อยไม่อิ่ ม, มก็ต้องวิ่งไปที่อื่นอีกไปคุยที่อื่นนะกินกินได้หนอยหนึ่งไม่อิ่มก็วิ่งต่อไปอีกจิตของเราที่มันไม่ได้ทรงสมาธินะไม่ได้โรงสมาธิชนิดที่ใช้พักผนะ่อนน็นจิตที่หิวอารมณ์จิตของเราเหมือนมาจรจัดไม่เต็มไม่อิ่มหิวโหยอารมณ์ตลอดเวลา นั่นมันจะวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาเมันก็มีวิธีการที่จะให้จิตสงบอยู่ในอารมณันเดียวนะให้เราเลือกอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแทนที่จะปล่อยให้จิตสเปะสปะเที่ยวหาอารมณ์ร้อนเร่ไปตามยะถา ก, กรรมเราก็มาดูว่าจริตนิสัยของเราควรจะทำกรรมฐานอะไรเพื่อให้จิตมีความสุข เคล็ดลับของการทําสมถะกรรมฐานสมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิที่ใจสงบเนี่ยอยู่ที่การเลือกอารมณ์ว่าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราไหมอย่างคนไหนช่างคิดมากก็อาจจะหายใจรู้ลมหายใจไปคนไหนที่โมโหมา ก, กอาจจะเจริญเมตตาไปคนไหน ความยึดความคิดความเห็นรุนแรงอะไรมากนะทะเลาะกับเข้าไปทั่วเลยเอาจจะคิดถึงความตายขึ้นมาก็ได้คนไหนบ้า ก, กามมากก็มาคิดถึงร่างกายที่เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามอันะอนียใจมันได้อารมณ์ที่พอเหมาะนะมันจะสงบสรุปง่ายๆว่าถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตไปรู้แล้วมีความสุข จิตก็จะมีความสุขอยู่ในอารมณ์ น, นั้นแล้วไม่วิ่งพลานไปหาอารมณ์อื่นคล้ายๆหมาตัวนี้วิ่งวิ่งมานะมาเจอคนใจบุญคนใจบุญให้อาหารกินเต็มอิ่มเลยหมานี้ไม่ต้องวิ่งพลานไปที่อื่นละหมาก็อยู่กับที่เดี๋ยวนอนไปตื่นขึ้นมาหิวอีกแล้วคนก็ให้กินอีกไม่หนีไปไหนเลยสุดท้ายเป็นหมาขี้เกียจนอนอยู่อย่างนั้นแหละก็คือพวกที่ติดสมาธินั่นแหละ เออเปรียบเทียบรุนแรงไปไหมพวกที่หิวอารมณ์นะก็เหมือนหมาจรจัดนะพวกที่ติดสมาธิเ็เหมือนหมามีเจ้าของได้กินอิ่มไม่ไปไหนมีแต่ความสุขอยู่แค่นั้นเอง <S <S> <S งั้นอยู่ที่การเลือกอารมณ์นะทำได้ควรจะทำพอทำแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีมสมถะกรรมฐานมีประโยชน์ ถ้าเราได้พักอยู่ในอารมณ์ันเดียวเป็นคลั้งเป็นคลาวนะเราก็ไม่ได้ติดอยู่ในอารมณ์ น, นั้นจิตจะมีกำลังแต่ถ้าไปติดสมถะนี่จะไม่เดินปัญญาตรงที่บางคนมาหาหลวงพ่อนะสมัยก่อนซึ่งพวกเรายังไม่ได้จิตที่รู้ที่ตื่นกันคนที่มาหาหลวงพ่อยุแกแรกๆนะเป็นพวกติดเพ่งมาแทบทางนั้นนะเพราะสมัยโบราณนะคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็นั่งเพ่งเ อ, อาเมื่อนั้น เหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านทำนั่นแหละออกจากวังมาสิ่งแรกก็คือไปนั่งสมาธิกะระลือสีพวกเราเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ติดเพ่งกันส่วนใหญ่ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อต้องแก้เรื่องการที่ติดเพ่งนี่ก่อนบางคนหลวงพ่อบอกว่าหยุดการทําสมาธิไว้ก่อนเราได้ยินอย่างนี้เลยนึกว่าไม่ให้ทําสมาธิที่จริงก็คือทําสมาธิมาผิดนั่นเองต้องแก้ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องมาฝึก ให้ใจมันตื่นขึ้นมาตรงที่ใจมันตื่นนะั่นแหละเราได้สมาธิอย่างที่สองเนะงั้นถ้าเราคนไหนติดเพ่งนิ่งๆว่างๆนะสบายอยู่แค่นั้นแค่นั้นไม่พอนะแค่นั้นมันเหมือนหมาที่เจ้าของใจดีเท่านั้นเองนะเรามาฝึกสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิชนิดแรกอะจิตเป็น1อารมณ์เป็น1จิตรวมเข้ากับอารมณ์อยู่ด้วยกันพักผ่อนอยู่ในอารมณ์ที่สบาย สมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแต่จิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่คนดูไม่ใช่คนสงบนิ่งนะเป็นแค่คนดูคือเราต้องมาฝึ ก, กจิตให้เป็นคนดูให้ได้นะถอยออกมาจากปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมส่วนใหญ่ของเราก็คือเวลา เกิดปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปรวมกับปรากฏการณ์นั้นอย่างเวลาเราดูโทรทัศน์รู้สึกไหมจิตเราไหลเข้าไปอยู่ในโทรทัศนะ์หรือเวลาเราคิดถึงดูโทรทัศน์ดูข่าวดูอะไรนะพูดถึงนายกหญิงสวยงามอะไรเงี้ยนะใจเราไปคิดถึงข้านี้ใจเราลอยไปใจเราลอยเราลืมตัวเราเองเนี่ยใจที่มันล่องลอยแล้วมันลืมตัวมันเองนี่แหละคือใจที่ขาดสมาธิชนิดอย่างที่สอง มสมาธิที่จิตตั้งมั่นคนท okay, right right? right? ี่ขาดสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองมัวแต่ไปดูรูปแล้วก็ลืมกายลืมใจของตัวเองมัวแต่ไปฟังเสียงแล้วก็ลืมกายลืมใจของตัวเองมัวไปดมกลิ่นแล้วก็ลืมกายลืมใจตัวเองก่อนหลวงพ่อบวชนะหลวงพ่อก็ไปเป็นคราวาสเนี่ย เดินตามศูนย์การค้าอะไรก็ไปบ้างไปชื้อของอะไรเนะี่ยมันจะมีที่ขายน้ำหอมอะนะพวกเราเห็นไหมพวกผู้หญิงจะไปยืนเป็นแถวเลยนะก็มาทามือนะดมดมด ม, ดมไปเรื่อยนะในขณนะนั้นที่ดมน้ำหอมนึกออกไหมรู้อะไรรู้กลิ่นของน้ำหอมใช่ไหมในขณนะนั้นลืมกายลืมใจของตัวเองนะหรือเราเห็นคนโทรศัพท์ัหมเดินโทร ทำท่าแปลกๆนะขณะที่คุยเมาเพลินไปนะร่างกายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตใจของตัวเองเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันลืมตัวมันเองสภาวะที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจลืมตัวเองลืมกายลืมใจของตัวเองนี่แหละคือสมาธิคือสภาวะที่จิตขาดสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่น งั้นสมาธิอย่างที่สองเนี่ยนะถ้าจะพูดง่ายๆคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรู้สึกตัวอยู่เพราะงั้นจิตเป็นหนึ่งไม่ได้มี6คือวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่รู้สึกตัวอยู่เป็น1เท่านั้นเองแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นเคลื่อนที่นะทั้งที่รูปธรรมนามธรรมนี้เคลื่อนที่ผ่านความรับรู้ของจิตไปเรื่อยๆเช่นตามองเห็นรูปนะ ใจก็เป็นคนดูก็เห็นรูปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูเมื่อไรขาดสตนะิจิตก็ปรุงแต่งเห็นรูปโอ้สวยนะใจมีราคะไม่รู้ทันถ้าใจตั้งมั่นใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเห็นว่าเอ้ยตอนนี้เกิดราคะอยู่ตอนนี้เกิดโทสะอยู่เนี่ใจมันต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจิตใจลืมเนื้อลืมตัวมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะ จิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวคือจิตใจที่ไม่มีสมาธิอย่างที่สองไม่มีความตั้งมั่นของจิตปกติจิตของเราร่อนเร่ตลอดเวลาถึงไปทำฌานจิตก็ไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวจิตไม่ได้ตั้งมั่นงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่ น, น, นก็คล้ายๆกับการฝึกให้จิตสงบนั่นแหละ เวลาเราจะฝึกให้จิตสงบนะเราก็เลือกอารมณ์ขึ้นสักอารมณ์หนึ่งที่มีความสุขแล้วน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์มันนั้นคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปเรื่อยๆจิตมีความสุขกับพุโทโธจิตไม่หนีไปที่อื่นได้ความสงบแต่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พุโทโธแต่พุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิต หรือรู้ลมหายใจก็ไม่น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิชนิดที่สงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวแต่ถ้าเราหายใจไปแล้วจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูรู้ทันจิตอยู่หายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนนะ สมาธิเรามีสองอันนะอันหนึ่งนะ่ยเคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวนะก็ได้สมถะได้ความสงบเฉยเฉเอาไว้พักผ่อนอีกอันหนึ่งนะจิตไม่เคลื่อนแต่อารมณ์นั้นเคลื่อนนะรูปก็เคลื่อนไหวเสียงก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะกลิ่นก็เปลี่ยนแปลงรสก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มาสัมผสัสร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตาหูจมูกลิ้นกายก็เปลี่ยนแปลงใจของเราก็เปลี่ยนแปลงธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลง แต่ใจของเราเป็นคนดูใจเราเป็นหนึ่งอยู่งั้นเป็นคนดูอยู่ไม่ได้ยากอะไรนะถ้ารู้วิธีแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราคอยรู้ทันทำกรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้การที่เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เรารู้ทันจิตได้ง่ายถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเลยแล้วอยู่ๆจะไปรู้ทันจิต จิตมันจะสายไปในอารมณ์ทางทวารทั้ง6มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเราดูไม่ทันนะเพราะฉะนั้เราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งแต่ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นหาอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งมาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยูนะ่แล้วก็จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันหนีไปเมื่อไหร่เราคอยรู้ทนันมันเคลื่อนไปเมื่อไหร่เราคอยรู้ทันจิตจะเคลื่อนไป2แบบเท่านั้นนะหนึ่งเคลื่อนไปคิดนะหรือหลงไปที่อื่นซะ อันที่สองเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นะนเรารู้ลมหายใจอยู่นะจิตหนีไปคิดก็มีนะลืมลมหายใจไปจิตเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจกลายเป็นสมถะกรรมฐานก็มีนะทําได้สองแบบถ้าเคลื่อนไปเกาะอยู่ในอารมณ์เดียวกลายเป็นสมถะเป็นสมาธิชนิดสงบถ้าเคลื่อนหนีไปคิดเลยนะสมาธิชนิดสงบก็ไม่มีนะฟุ้งซ่านอย่างเดียวแต่ว่าการเคลื่อนไปนะมี2ชนิดเคลื่อนไป ไปหาอารมณ์อื่นเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นก็เคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับให้ตั้งมั่นเขาจะตั้งของเขาเองแต่ถ้าสมาธิเราไม่ยังไม่แข็งแรงนะจะเคลื่อนแล้วก็รู้สึกขึ้นมาตั้งได้แวบเดียวมันก็เคลื่อนไปอีกทีเคลื่อนไปนานเลยรู้สึกอีกตั้งขึ้นมาอีกแวบหนึ่งจะเป็นอย่างนั้น งั้พวกเราต้องฝึกให้มากนะฝึกเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ถ้าจิตใจยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยังเดินตัญญาไม่ได้งั้นบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเราต้องทําให้ครบบทเรียนที่1ศีละสิกขาตั้งใจงดเว้นการทําบาปอกุศล5ประการบทเรียนที่สองนะเรียกว่าจิตลสิกขาเห็นไม้มเรียนเรื่องจิตทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทําทันจิตไว้ พุโทโก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้ขยับมืออะไรก็ได้เหมือนกันหมดแล้วค่อยรู้ทันจิตทึงจเรียกว่าจิตศิกขาเรียนรู้เรื่องจิตสิ่งที่ได้จากจิตศิกขาคือสมาธิที่ถูกต้อ ง, ส ม, องสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะเมื่อมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงบทเรียนสุดท้ายคือปัญญาศิกขางะั้นเราต้องเตรียมจิตให้พร้อมซะก่อนนะถึงจะไปเดินปัญญาอยู่ๆไปเดินปัญญาเรื่อยไปนะมันจะไปเพ่ง อย่างบางคนไปดูท้องพองยบนะบอกว่าจะเจริญปัญญาไม่ได้เตรียมจิตให้พร้อมก่อนไปดูท้องพองยบเนะี่ยจิตจะเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องเลยกลายเป็นสมถะแล้วก็เกิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมานึกว่าเกิดวิปัสสนาญาณไม่ใช่วิปัสสนาญาณเพราะไม่ได้เดินวิปัสสนาเป็นสมถะ ร, รวดเลยงั้นเราต้องเตรียมจิตของเราให้พร้อมนะใช่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มันไม่ไหลไป ไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับไม่ให้ไหลนะจิตจะแน่นๆจิตจะเป็นอกุศล น, นะแต่ถ้ามันรู้เรารู้เท่าทันว่าจิตหลงไปจิตไหลไปนีป่มันจะตั้งมั่นขึ้นเองจิตที่ตั้งมั่นจะมีสภาวะที่เบานะถ้าหนักๆนี่ไม่ใช่แล้วจะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนนะถ้าแข็งๆนี่ไม่ใช่นะจะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะถ้าซื้อซือบื้อทื่อๆนะไม่ใช่ จะรู้อารมอย่างซื่อตรงนะหมายถึงอะไรเกิดขึ้นก็รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปเนี่ยเราต้องมีจิตชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้เราถึงจะไปเจริญตัญญานะงั้นพวกเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตซนะไปฝึกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆไม่ห้ามว่าห้ามเคลื่อนอย่าไปห้ามให้เคลื่อนแล้วรู้ว่าเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนจะกลายเป็นการเพ่งให้จิตนิ่ง จะแน่แนๆนหนักหนกแน่แนแแข็งแขงซึมซมทื่อๆไปใช้ไม่ได้เลยเป็นจิตอกุศลไปเลยนะงั้นให้แค่แค่ว่าทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้นะจิตหนีไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็รู้ต่อไปเราจะฝึกจนได้ชํานาญได้ทั้งสองอย่างเวลาเราต้องการพักผ่อนนะเราก็น้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียว สบายอยู่กับอารมณ์อันเดียวอันนี้ได้สมถะเวลาที่เราจะเจริญปัญญาแล้วก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาให้มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาใจเบานุ่มนวลอ่ อ, อนโยนกล้องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซนะื่อตรงในการรู้อารมณ์นี่มีจิตตัวนี้ขึ้นมาไม่ไหลไปนะโดยที่ไม่ได้ประคองไว้ไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้ประคองไว้นะแล้วเราจะใช้จิตชนิดนี้แหละไปเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรม เวลาร่างกายเคลื่อนไหวจิตถ้าตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะความรู้สึกทางใจต่างๆนานาเกิดขึ้นก็เห็นเือทุกสิ่งทุกอย่างทางใจเราทั้งความรู้สึกทั้งหลายกระทั่งตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไม่ได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามกายใจไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะ เห็นกายเห็นใ จ, นใจแล้วก็นิ่งนิ่งอยู่กับกายอยู่กับใจไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมถกรรมฐานพินนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะงั้นจับหลักให้แม่นนะปูพื้นทางจิตใจให้เข้มแข็งจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้พุโทโธไปก็ได้พุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนเรารู้ไม่ห้ามนะไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนไปกินข้าวไปแล้วค่อยดูว่าจิตเคลื่อนไหมถ้าคอยดูมากไปจะกลายเป็นเพ่งนะก็ผิดอีก ถ้าไม่ดูเลยก็กลายเป็นหลงผิดมากกว่าเพ่งอีกนะไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ